อนุภาพการสวดมนต์และเสียงสาธุการสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่บนดอยปะรองเชียงใหม่กับพระอาจารย์มณูตอนเช้าเที่ยวบินทบาทพอให้พรเสร็จท่านได้สอนให้ชาวบ้านกล่าวสาธุพร้อมกันด้วยเสียงสูงท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นเชิงตลกว่ามือทั้งสองข้างของเขา ชูขึ้นข้างบนเหมือนบ้างไฟจะขึ้นสู่ท้องฟ้าว่างั้นวันหนึ่งท่านนั่งพักในส่วนที่ทําเป็นที่พักกลางวันมีเทพพวกหนึ่งมาถามท่านว่าเสียงสาธุสาธุนั้นสาธุอะไรสะเทือนสะทานทุกวันพวกเทพทั้งหลายได้ฟังมีความสุขไปตามๆกันท่านมาพิจารณาว่าเสียงอะไรที่ไหน จึงระลึกได้ว่าเสียงสาธุการของชาวบ้านตอนถวายทานนั่นเองพอรับทราบแล้วพวกเทพก็กล่าวว่าเขาก็สาธุการด้วยแล้วทำประทักษิณเวียนขวาลากลับไปส่วนมากพวกเทพเขาจะทำอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นเลยมาพิจารณาต่อได้ความว่าพุทธมนต์นั้นใครสวดก็ตามจะเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์เช้าเย็น หรือชาวพุทธทุกคนสวดมนต์ระลึกในใจมีอนุภาพแผ่ไปได้เหมือนจักรวาลสวดออกเสียงพอฟังได้มีอนุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาลสวดมนต์เช้าเย็นธรรมดามีอนุภาพแผ่ไปได้แสนโกรจักรวาลสวดเต็มเสียงสุดกูมีอนุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาลแม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสามภพ และที่สุดเอเวจีมหานรกยังได้รับความสุขเมื่อแววเสียงพุทธมนผ่านลงไปถึงชั่วขณะชั่วครู่หนึ่งดีกว่าหาความสุขไม่ได้เลยตลอดการนี้คืออานิสง์ของพระพุทธมนทันต์อาจารย์มั่นว่าอย่างนี้หมายเหตุผู้บันทึกเสียง ครูบาอาจารย์บางท่านก็กล่าวไว้นะครับว่าเทวดาชอบมาขอให้ท่านสวดมนต์ให้ฟังเพราะท่านเชี่ยวชาญบาลีสวดและเข้าใจความหมายเชิงลึกถึงแก่นแท้พอเทวดาได้ฟังก็ได้อ น, นิสงส์งเข้าใจไปด้วยและเกิดเป็นพลังบุญแรงเป็นบุญจากการพิจารณาเข้าใจธรรมส่งให้ต่ออายุเทวดาได้อีกมากท่านว่าเทวดาบอกว่าถ้าคนสวดไม่เข้าใจจริง สักตวสวดฟังแล้วไม่ค่อยได้อะไรและไม่ค่อยอยากฟังเพราะสำคัญที่สุดคือจิตที่เข้าใจความหมายของบทสวดนั้ น, น, นแม้แต่บทสวดสั้นๆเช่ น, นคำว่าพุโทโธคนที่ท่องพุโทโธโดยไม่เข้าใจพุทธคุณคือพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นประสาจิตที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกับคนที่เข้าใจและซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านอย่างมาก ยิ่งเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเท่าไหร่ก็ย่อมมีผลมีอนิสงส์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะถ้าไม่เข้าใจไม่ซึ้งในพระคุณการท่องพุโทโธก็แทบไม่ต่างอะไรกับนกแก้วนกขุนทองที่ท่องไปโดยไม่เข้าใจความหมาย